อนัตตลกคณะสูตรที่เราเพิ่งสาธยายเมื่อสักครู่นะเป็นพระสูตรที่สำคัญอนในแง่ปฏิศิสารก็เป็นพระสูตรแรกนะที่พระองค์ได้อธิบายความจริงที่เรียกว่าอนัตตลักษณะหรือว่าภาวะความเป็นอนัตตาของสัรพสิง่งโดยเฉพาะขัน5 และคำอธิบายเหล่านี้นะพระองค์ก็นำไปนาไปใช้ในการอธิบายกับเวลาแสดงธรรมให้ภาษาวกฟังองค์อื่นท่านอื่นๆรวมทั้งกล่าวโตว้แย้งเวลาสนทนากับพราหมณ์ในรัตที่อื่นนะที่เรียกว่าอัญญเดรถี เราก็จะได้ถ้าอ่านาบทสนทนาเหล่านี้หลายตอนก็จะคล้ายๆกับที่เร า, าสวดสาธิยายเมื่อสักครู่แต่ว่าน่าสังเกตว่าพระพุทธองค์เลือกแสดงหรือว่าสอนทํานองนี้เนี่ยไม่ใช่ทั่วไปกับค า, ารวะแล้วนี้ก็ส่วนใหญ่ แทบจะไม่ค่อยได้ฟังจากพระพุทธเจ้าเรื่องเกี่ยวกับอนัตตาเลยขนาดอนันตปิทิกาเศษทีเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลาหลายสิบปีนะไม่น้อยไม่น้อยกว่า30ปีเนี่ยมันได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอนัตตาจริงๆก็ตอนที่ใกล้ตายป่วยหนักและพุทธเจ้าก็ มอบหมายให้พระสอริบุตรนี่ไปโปรดท่านอนัตถปิฎิกะก็โปรดหลายครั้งนะพระอานนท์ก็ไปด้วยแต่ว่าที่สำคัญคือตอนที่พระสอริบุตรเนี่ยได้แสดงธรรมให้อนัตถปิฎิกะเศรษฐีฟังเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอนัตตาอนาตถปิฎิกะนี่เรียกว่าทราบซึ้งมาก แล้วก็แปลกใจว่าทำไมไม่เคยได้ยินได้ฟังคำเทศนาอย่างนี้จากพระพุทธองค์เลยนะแล้วก็ก็เลยพูดต่อไปว่าต่อไปก็ขอให้พระองค์ได้มีพระรุณาแสดงธรรมแบบนี้แสดงธรรมที่ลึกซึ้งแบบนี้ให้กับคลกหัดได้ฟังบ้าง ที่พระพุทองค์แสดงธรรมเหล่านี้ให้กับคารวาสไม่กี่คนไม่ค่อยบ่อยนี่ก็คงเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเข้าใจยากนะสำหรับคนทั่วไปพระองค์ก็สอนในเรื่องของทานศีลภาวนาหรือว่าเรื่องความเป็นอันทีจังทุกขังนะแต่พอถึงเรื่องอนัตตาแล้วนี่ พระองค์ก็จะเลือกสอนเช่นเดียวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะอันนี้ก็เป็นเรื่องยากอีกเรื่องหนึ่งที่พระองค์ก็ไม่ได้แสดงแก่คนทั่วไปแต่มาถึงยุค ข, ของเราแล้วนี่ก็ถือว่าพวกเราโชคดีนะที่จะมีโอกาสฟังทำของพระเจ้าในเรื่องยากๆแบบนี้แม้ว่าอาจจะไม่เข้าใจบ้างแต่อย่างน้อยก็ได้อ่า น, ไ ด, านได้ฟัง มันก็เป็นพื้นฐานนะสำหรับการปฏิบัติและการพิจารณาความจริงของชีวิตเพราะว่าเรื่องอนัตตก็ดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีนี่เป็นเป็นหัวใจคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาก็ว่าได้เพราะศ า, าสนาอื่นสอนกันหลายอย่างนะแต่ว่าที่ไม่ได้สอนเลยหรือไม่ได้พูดเลยคือเรื่องอนัตตา รทั้งเรื่องปฏิจจสมุปบาทด้วยอันนี้เป็นลักษณะเด่นนะเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะที่ทำให้แตกต่างจากศาสนาอื่นทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะศาสนาทั้งหลายลนะ้วนแล้วแต่สอนให้เชื่อว่ามีอัตตามีอัตตาที่เชิงแท้ยั่งยืนคงทน เช่นพระเจ้าเนี่ยพระเจ้านี่ก็เป็นตัวแทนของอัตตาที่ผู้คนนะมีความยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ใช่พระเจ้าก็เป็นอัตมันหรือปรมาตมันอย่างลัทธิพรามหมณ์ฮินดูก็มีความเชื่อแบบนี้เนื่องจากอัตตาคำสอนเรื่องอนัตตานี่เป็นเรื่องยาก เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวพุทธจำนวนมากก็มีความเชื่อนะในเรื่องสำคัญสคัญอาจจะคล้ายกับศาสนาอื่นคือเชื่อในเรื่องอัตตาถึงแม้ว่าจะไม่เชื่อในไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าแต่ไปมาก็ไปหาสิ่งอื่นมาเป็นอัตตาแทนเช่นนิพพาน คนไทยชาวผู้จํานวนมากก็ชวนนิพพานเป็นอัตตาถ้าจากพุท่าสท่านก็เปรียบเทียบไว้ดีนะว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตามันขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้นอยู่กภูมิธรรมของบุคคลช่านยกตัวอย่างเช่นลูกเนี่ยน ะ, ะผู้หญิงคนหนึ่งนะถ้าเจอลูกลูกก็เรียกผู้หญิงคนนั้นว่าแม่ แต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยถ้าเจอพ่อถ้าเจอบิดาเนี่ยบิดาก็จะเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าลูกคนคนหนึ่งเป็นได้ทั้งแม่และลูกขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียกเป็นใครอยู่ในระดับใดถ้าผู้เรียกเป็นลูกก็เรียกผู้หญิงคนนั้นว่าแม่ถ้าผู้เรียกนั้นเป็นพ่อก็เรียกผู้หญิงคนนั้นว่าลูกนิพพานก็นเหมือนกันนะมันเป็นอัตราสหรับคน ที่มีภูมิธรรมระดับหนึ่งแต่มันเป็นอนัตตาสำหรับคนที่มีภูมิธรรมที่สูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเทียงว่าพุทธะนิพพานเป็นอัตาหรืออนัตตนี่มันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างนัสุดแท้แต่มุมมองของผู้พูดนั้นว่าเข้าใจธรรมะระดับไหนถ้าเข้าใจระดับพื้นๆก็มองว่านิพพานเป็นอนตา แต่ถ้ามีธรรมะสูงก็มองนิคว่าก็เห็นว่านิพพานนั้เป็นอนัตตาแต่ว่าในส่วนของเรานะในส่วนของปุถุชนทั่วไปก็เกี่ยวข้องกับขันธ์หถ้ามีความเข้าใจเรื่องอนัตตาบ้างนะก็จะช่วยในอนัตตลัคนาสูตรเนี่ยก็จะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยท่านได้ชี้เห็นว่าไตรลักษณ์เนี่ยคือนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเชื่อมโยงกันมันไม่ใช่แยกกันเป็นส่วน อะไรที่ไม่เที่ยงก็ย่อมเป็นทุกข์และอะไรที่เป็นทุกข์ก็ยออ่อมอาจรียได้ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรานะเข้าใจเรื่องอนิจจังก็จะทำให้เข้าใจเรื่องทุกข์ขนะังเพราะอะไรที่ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์มันจะเป็นอัตตาได้อย่างไรนะเพราะว่าทุกข์แปลว่าสเสื่อมเสื่อมแล้วก็ดับนะ ในสิ่งที่เป็นอัตตาเนี่ยมันย่อมไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันดับมันก็คงคงตัวนะมันก็จะย่อมเป็นเรียกว่าอันนี้เรียกว่าเป็นอมตะนิรันดร์การกเลยก็ว่าได้ไตรลักเนี่ยอนิจจังทุกขออน า, านัตตานี่ถ้าเรียกง่ายๆนะอ น, นิจจังคือไม่คงที่ทุกขังคือไม่คงตัวอนัตตาคือไม่ใช่ตัว นะอันนี้ฟังจะเข้าใจง่ายขึ้นเพราะเป็นภาษาไทยล้วนๆไม่คงที่ไม่คงตัวและไม่ใช่ตัวนะในอนัตตลักษณะสูตรท่านก็อาจิตอธิบายว่าเนี่ยเป็นเพราะมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์และเพราะมันเป็นทุกข์มันจึงเป็นอนัตตาแต่เราจะมองอีกด้านนึงก็ได้ว่าเพราะว่าเพราะเป็นอนัตตาจึงเป็นทุกข์และเพราะทุกข์นั่นแหละจึงเป็นอนิจจ์นะ อธิบายคือว่าอนัตตาก็คือการที่ไม่มีตัวตนของมันเองต้องพึ่งพาสิ่งอื่นนะต้องอาศัยสิ่งอื่นมาเป็นปัจจัยให้เกิดมีสิ่งนั้นขึ้นมาเช่นต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้ก็ต้องอาศัยน้ําต้องอาศัยอากาศต้องอาศัยออ ก, ออออกซิเจนต้องอาศัยแร่ธาตุต่างๆต้นไม้ถึงจะเกิดขึ้นได้ การที่ต้นไม้ต้องพึ่งพาเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยแสดงว่าต้นไม้เนี่ยมันไม่มีตัวตนของมันเองหรือการอธิบายว่าร่างมนุษย์เราเนี่ยนะร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยธาตุสี่หรือประกอบไปด้วยคงประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆนะการที่ร่างกายเราเนี่ยมันประกอบด้วยอวัยวะต่างๆเนี่ย ถ้าเอาเ อ, า อ, าอาวัยวะต่างๆแต่ละอย่างแต่ละอย่างออกไปเนี่ยร่างกายก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยไม่มีไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนของมันเองหรือที่ท่านเปรียบเทียบอยู่ บ, บ่อยๆนะในพระไตรปิฎกก็คือเปรียบเทียบกับรถนะรถเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นจากส่วนประกอบต่างๆเช่นล้อเพลานะแล้วก็อีกมากมาย ถ้าเกิดว่าถอดชิ้นส่วนแต่และชิ้นออกไปรวมทั้งตัวถังพวงมาลัยนะก็จะไม่เหลือตัวรถให้เห็นเลยนันตัวรถจริงๆไม่มีนะแต่ที่มันมีขึ้นเพราะมีส่วนต่างๆมาประกอบกันอันนี้เรียกว่ารถไม่ใช่ตัวตนรถไม่มีตัวตนก็คือเป็นอนัตตา และเนื่องจากรถหรือร่างกายเรามาประกอบด้วยสิ่งต่างๆมันเพาะต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาประกอบถึงเกิดมีขึ้นมันจึงเป็นทุกข์เพราะว่าเกิดเสียส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งมันเกิดเสียอะไรตามมาเช่นร่างกายของเราเนี่ยเกิดเอากระเพาะนี่มีปัญหาหรือว่าตับไตถูกตัดออกไป มันเกิดอะไรขึ้นป่วยนะเกิดความป่วยป่วยเนี่ยคืออาการหนึ่งของทุกขังรถเนี่ยนะถ้าเอาเอาลูกสูบออกไปนะหรือว่าเอาล้อเอาเพลาคานออกไปแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็อาจจะทำให้มันวิ่งไม่ได้ก็คือเสียบางทีเราก็เรียกว่ารถตายนะนะรถตายนี่ ตายแล้วยังวิ่งไหม่ได้นะไม่เหมือนคนเราถ้าตายแล้วนี่ก็ก็ตายสนิทแต่รถเนี่ยเราเรียกว่ารถตายเพราะอะไรก็เพราะว่าอาวัยวะบางอุกลไนกายบางส่วนของมันเนี่ยมันเกิดเสียเกิดหายขึ้นมานาฬิกาตายนะนาฬิกาตายเพราะว่าเฟืองฟันเฟืองบางตัวหรือว่าชิ้นส่วนบางตัวมันเสียไปหายไปหมดสภาพมันก็ตาย ไอ้คำว่าตายนี่ก็หมายถึงทุกขังนั่นแหละนะเมื่อเพราะเป็นอนัตตาถึงถึงเกิดทุกข์และเพราะมีทุกข์หรือเพราะเป็นทุกข์จึงไม่เที่ยงนะคือแปรปวนนะเช่นร่างกายเรานะมันก็มีเซลล์ต่างๆตายทุกวินาทีมีคนนับ เขาคาดการณ์ ว, ว่ามีเซลล์ตายในร่างกายเราเนี่ยวันหนึ่งประมาณห้าหมื่นถึงแสนล้านเซลล์แต่ว่าที่ยังคงสภาพอยู่ได้เพราะมันมีการสร้างเซลล์เพิ่มแต่การที่มันตายทุกวันทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันเนี่ยก็ทำให้ผิวหนังร่างกายเริ่มเหี่ยวยน่นนะให้ความเหี่ยวย่นก็มันก็เป็นอนิจจังแบบหนึ่งนะคือมันเริ่มแปรเปลี่ยนไป งั้นเราจะมองได้ว่าเพราะมันเป็นอนิจจังมันถึงเป็นทุกข์เพราะไม่ถึี่ยงถึงเป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์มันจึงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ได้หรือเพราะว่ามันไม่มีตัวตนของมันเองมันจึงทุกข์และเมื่อมันทุกข์มันก็เลยไม่เที่ยงนั้นถ้าเราเห็นความเชื่อมโยงนะจะเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์ได้ง่ายขึ้น ทำความเข้าใจดีนะว่าไม่มีอะไรที่ที่มีตัวตนนะหรือว่าเป็นตัวตนได้เลยเพราะว่ามารวนแล้วแต่เกิดจากสิ่งต่างๆมาประกอบกันแล้วเราก็สมมุติเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นร่างกายเป็นตัวเราเป็นรถเป็นบ้านอาจารย์ประโมทต้งเคยเล่าว่าตอนเด็กๆเนี่ยนะเล่นซ่อนหากันนะพวกเราคงเคยเล่นนะเล่นซ่อนหา หรือว่าหรือว่าวิ่งไล่จับกันคนที่ทําหน้าที่วิ่งไล่เนี่ยถ้าเกิดจับตัวได้เนี่ยคนที่ถูกจับก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นคนวิ่งแทนแล้วก็ไปไล่จับคนอื่นมีคราวหนึ่งท่านก็เป็นฝ่ายถูกเป็นฝ่ายวิ่งเป็นฝ่ายเนี่ยถูกไล่ล่าเพื่อนี่มาถึงตัวท่านก็มาจับมาจับตัวท่านแล้วก็บอกจับได้แล้วจับได้แล้ว ท่านบอกว่าไม e, si mm. no. so, ่ได้จับตัวนั today, ่นจับลายไม่ได้จับตัวน่าจับลายอ่างั้นต้องว่ากันใหม่ก็วิ่งต่อกันอีกนะเพื่อนคนเดิมนั่นแหละก็วิ่งมาจับนะพอมาจับมือท่านก็บอกว่าเนี่ยจับได้แล้วจับตัวได้แล้วท่านบอกว่าไม่ใช่จับตัวนั่นจับมือนะงั้นไม่ว่าจับเท่าไหร่ก็เนี่ยจะก็ไม่ได้จับตัวทั้งสิ้นนะเพราะว่า จับหัวบ้างจับหลังบ้างจับไหลบ้างจับมือบ้างไม่สามารถจับตัวได้เลยให้เราลองชี้มาที่ตัวเราเองก็ได้ว่าตรงไหนที่เรียกว่าเป็นตัวเรานะถ้าชี้มาตรงนี้นี่ก็หัวนะถ้าชี้ตรงนี้นี่ก็ไหลไม่ใช่ตัวเรานะ ล, ลองดูนะชี้ตรงไหนนี่ไม่ใช่ตัวเราทั้งนั้นถ้าไม่หัวก็เป็นมือหรือว่าเป็นอกหรือว่าเป็นท้อง ไอ้คำว่าตัวเราเนี่ยมันสมมุติใช่ไหมนะเห็นไหมเป็นสมมุติเหมือนกับเราชี้ไปที่หมู่บ้านอันไหนหมู่บ้านบ้านใหม่ไหนชี้ไปใช่ที่บ้านใหม่พอชี้ไปลราบอกว่าไม่ใช่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านนั่นนั่นนั่นเป็นเรือนเป็นเรือนของยายเพียนอ่าไม่ใช่หมู่บ้านแล้วพอบอกว่าเนี่ยแล้วดูให้ดีๆไม่ใช่เรือนนะไอ้ที่ชีนะ้น่ยคือประตูนะหรือว่าเสานะ และดูดีๆเนี่ยไอ้ที่ชี้นี่ไม่ใช่เสาะนะมันเป็นไม้นะ <_ d ata> คือพูดง่ายเนี่ยชี้ไปเนี่ยหาไปหาไปเนี่ยไม่เจอนะไอ้สิ่งที่เรียกว่าหมู่บ้านนะไม่เจอตัวตนที่เรียกว่าบ้านนะเ <_ d ata> พราะอะไรเพราะว่าบ้านหรือหมู่บ้านมันคือสมมุติที่ใช้เรียบดังคำว่าสมมุติเนี่ยที่เราได้ยินได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันจะ ถ้าเราเข้าใจชัดมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องอนัตตาเพราะเพราะสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอัตตาอัตตาเนี่ยเช่นแก้วบ้านเรือนร่างกายจริงๆมันคือสมมุติคือคําที่ใช้เรียกไอตัวบ้านไม่มีนะตัวเราไม่มีมันมีแต่สมมุตินะที่ใช้เรียกสิ่งที่เอวัยวะต่างๆมาประกอบกันว่า ร่างกายหรือตัวเราบ้านรถเสื้อผ้าสัตว์แมวพวกนี้สมมุติทั้งนั้นนะแต่ว่าไอ้สมมุตินี่มันหลอกเราให้คิดว่ามีตัวตนที่เป็นแมวเป็นบ้านเป็นคนเป็นสัตว์จริงๆนะสมมุติเนี่ยหรือว่าชื่อเรียกมันหลอกเราทีแรกเนี่ยเราคิดสมมุติขึ้นมา ใช้เรียกสิ่งต่างๆใช้เรียกใช้เรียกว่าไอเนี่ยคือรถใช้เรียกว่าไอเนียนะคือคอมพิวเตอร์ใช้เรียกว่าไอเนี้ยโทรศัพท์แต่ประมาณเนียชื่อนี่มันหลอกเราว่าทาให้เราคิดว่าทำให้เราเชื่อว่ามันมีตัวตนของรถมันมีตัวตนของบ้านมันมีตัวตนของคอมพิวเตอร์มันมีตัวตนของโทรศัพท์จริงๆที่แรกนะเราใช้เราคิดคำขึ้นมาเพื่อใช้เรียก แต่สุดท้ายมันหลอกเราพระเจ้าจึงตรัสว่าชื่อเนี่ยครอบงามสิ่งทั้งปวงนะชื่อเนี่ยครอบงำสิ่งทั้งปวงชื่อคือสมมุติเราลองดูนะไอ้สมมุติเนี่ยเช่นกำปั้นเนี่ยเวลากำมือขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกว่านี่กำปั้นนะแต่ตัวตนกำปั้นมีหรือเปล่านะพอแบมือออกมาเนี่ยกำปั้นหายไปไหมกำปั้นยังอยู่หรือว่ากำปั้นหายไปแล้ว พอรวบนิ้วเข้าหากันกัมปันก็เกิดขึ้นแต่พอคลายมือออกแบบมือออกกัปันก็หายไปตัวตนกัมปันนี่ไม่มีนะ ม, นมันมีแต่คำเรียกว่ากัมปันเพื่อใช้หรือกัหมัดเพื่อใช้เรียกอาการของนิ้วที่รวบเข้าหากันว่านี่แหละคือกัมปันหรือกั ห, อกหมัดตัวตนของกัมปันนี่ไม่มีมันมีแต่สมมุติที่ใช้เรียก ว่าถ้ารวบมือแบบนี้รวบนิ้วแบบเนี้คือกำปั้นให้เราถ้าเราเข้าใจนี้เราจะพบว่าก็จะเห็นตอบว่าไอ้ตัวตัวเราตัวกูมันไม่มีมันเป็นแต่สิ่งที่ใช้เรียกกายกับใจนี้ว่าเราไอ้คาว่าของเราก็ไม่มีเป็นแค่สมมุติมันเป็นสมมุติมันไม่ใช่ความจริงสมมุติว่านี่ขนมของเราแต่ว่ามด มันไม่สนมันไม่สนใจนะว่าเนี่ยมันไม่รับรู้ได้ว่าขนมนี่เป็นของเรานะมันเห็นขนมมันก็เข้าไปเข้าไปทึ้งเลยนะหนูเนี่ยนะมันก็เห็นสบู่เนี่ยเราวัดสบู่นี่ของเราแต่หนูนี่มันไม่สนใจนะมันไม่รับรู้ได้ว่าสบู่ของเรามันก็เข้าไปกัดรวมทั้งเสื้อผ้าด้วยแล้วเราก็โกรธนะเราโกรธหนูเราโกรธมดนะเพราะว่ามันมากินขนมของเรามามา เสื้อผ้าของเราและความรู้สึกว่าเป็นของเราทําให้เราทุกเราเสียใจเสียใจที่สูญหายไปเสียใจและโกรธที่มันมาทําให้เราทําให้ข้าวของเสียหายความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยถึงที่สุดแล้วเกิดจากความยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราตัวอย่างง่ายๆคือว่าใครตายก็ไม่เป็นไรนะั่นเราก็ไม่ได้ คนตกเครื่องบินเครื่องบินตก MH17 นะตกไปถูกยิงตกเมื่อสองที่ก่อนตายไปเกือบสามร้อยคนเราฟังข่าวก็ก็เฉยๆนะแต่พอเพียงได้ข่าวว่าเพื่อนของเราญาติของเราพ่อแม่ของเราเนี่ยป่วยแล้วก็หมอสันนิษฐานเป็นมะเร็งยังไม่ทันตายเลยเนะี่ยโอ้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับเลย ทำไมคน300คนตายเราเฉยๆแต่ทําไมอีกคนนึงแค่ป่วยแล้วไม่รู้เป็นมะเร็งหรือเปล่าเราถึงนอนไม่หลับเพราะไอ้300คนนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่อีกคนที่เป็นที่ป่วยนั้นเป็นเราเป็นของเราเป็นญาติของเราเป็นพ่อแม่ของเราเป็นเพื่อนของเราแผ่นดินไหว้ข่าของเสียหายมากมายที่ทประเทศโน้น ประเทศนี้นะเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเงินของเราหายนะเราทุกนะเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกว่าเป็นของเราไอความทุกข์เมื่อเกิดกับกายแล้วทาไมใจทุกนะเวลาเจ็บเวลาปวดเวลาเมื่อยทาไมใจทุกข์ด้วยก็เพราะไปยึดว่าร่างกายนี้เป็นเราพอ ปวดพอรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยเนี่ยมันไม่ใช่เห็นว่ากายปวดกายเมื่อยนะแต่มันคิดต่อไปว่ากูปวดกูเมื่อยพอความคิดแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีทุกข์ใจนะทุกข์ใจตามมาทันทีทุกข์ใจเกิดขึ้นเพราะความยึดติดในตัวกูของกูไปสําคัญมันหมายว่าความปวดความเมื่อยนั้น เป็นเราเป็นของเรามันไม่ใช่กายปวดนะแต่ว่ากูปวดไม่ใช่กายเมื่อยแต่เป็นกูเมื่อยนันก็เกิดเป็นความทุกข์ใจขึ้นมามันมีความแตกต่างนะอย่างมากระหว่างกายปวดกับกับกูปวดถ้าเจ้าผู้ท้าเคยเปรียบว่าเนี่ยเวลามีวเวลามีดเวลามีดบาดนิ้วหรือว่านิ้วถูกมีดบาดเนี่ย มันจะมีความรู้สึกแตกต่างกันมากเลยนะระหว่างการมองว่าเนี่ยนิ้วถูกมีดบาดกับเราถูกมีดบาดนะสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะถึงแม้ปรากฏการเป็นปรากฏการเดียวกันแต่คนที่รู้สึกว่าฉันถูกมีดบาดเนี่ยจะรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าคนที่รู้สึกว่า นิ้วถูกมีดบาดนะให้ความสวยตัวกูเนี่ยมันมันทําให้ความทุกข์เพิ่มขึ้นนิ้วบาดนะมันก็เจ็บแต่นิ้วนะแต่ใจไม่เจ็บด้วยแต่พอรู้สึกว่าฉันถูกมีดบาดเนี่ยมันเจ็บทั้งนิ้วนะมันเจ็บทั้งใจด้วยเรียกว่าเจอธนูสองดอกนะคนที่เห็น แต่เพียงว่าเออนิ้วถูกมีดบาดเนี่ยโดนแค่ธนูดอกเดียวแต่คนที่รู้สึกว่าฉันถูกมีดบาดเนี่ยเจอธนูอสองดอกนะอันนี้เป็นคำเปรียบเปรยของพระพุทธเจ้านะที่เห็นว่าคนทั่วไปเนี่ยเมื่อเจอทุกขเวทนาแล้วเนี่ยมันจะทุกขเวทนาทั้งกายและใจแต่ว่าผู้สระดับหรือผู้ที่ผู้ที่มีปัญญาก็จะ เจ็บแต่กายนะแต่ว่าใจไม่เจ็บด้วยสมมอนกับว่าธนูลกดูกดอกที่สองมันถูกยิงผิดเป้าพลาดเป้าไปนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องอนัตตาเนี่ยมันจะช่วยทำให้วางใจกับสิ่งต่างๆได้อย่างดีก็คือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นและเมื่อเห็นว่าอะไรที่เป็นอนัตตาซึ่งก็คือทุกสิ่งนั้นนะมันก็ย่อมเสื่อมย่อมดับไปก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันเที่ยง ว่ามัต้องกีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นเมื่อมันหายไปศูนย์ไปเสื่อมไปก็ไม่ทุกข์พอเขาเจอเรื่องไตรั้งโดยเพราะเรื่องอนัตตานี่ก็ทําให้เกิดการปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งถึงที่สุดแล้วก็จะมามาสรุปที่คําคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่ว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น เพราะอะไรเพราะว่ามันยึดมันถือมั่นไม่ได้และที่ยึดมันถือมั่นไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นมันเป็นทุกข์มันก็เลยไม่จีรังตรงนี้แหละเป็นเหตุปัจจัยให้เข้าถึงนิโรธนะนิโรธเนี่ยคือความดับทุกข์หรือการที่ทุกข์ไม่เกิดเพราะว่าเห็นความจริงตรงนี้และเห็นความจริงตรงนี้ได้ก็ต้อง ทำให้องค์มรรคเกิดขึ้นก็คือทําให้มรรคมีองค์แปดได้เกิดขึ้นทําให้มากขึ้นเรื่องแต่สมาธิฏฐิจนกระทั่งไปสุดที่สัมมาสติและสัมมาสมาธิถ้าทําถูกทําทําได้อย่างต่อนเนื่องก็จะเห็นความจริงตรงนี้แหละโดยเพราะในขั้นสุดท้ายที่เกิดจากวิปัสสนาและตรงนี้แหละการที่เข้าถึงความจริงตรงนี้อย่างแจ่มแจ้งก็ทำให้บรรลุธรรม หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นผ้าละหันอย่างท่านปัญจวัคคีที่ด้านพอได้เข้าใจเรื่องอนัตตลักขณะอย่างแจ่มแจ้งก็บรรลุธรรมเป็นผ้าละหันพ้นจากวัตฏะสงสารเพราะไม่มีตัวกูที่จะเป็นชื่อให้เกิดอีกต่อไปถ้ายังมีความยึดมั่นในตัวกูมันก็ยังมีกรรมและกรรมนั้นก็นำไปสู่การเกิดไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็ตามกรรมนี้เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่นำไปสู่การเกิดใหม่ ก็คือเกิดพบหมายชาติใหม่นักปฏิบัติธรรมที่ไม่เข้าใจเรื่องอ น, นิจอนาตรลักษณะนะก็ยังมีความเชื่อเรื่องตัวกูของกูแต่ว่าก็พยายามทำให้ตัวกูนะั้นเป็นตัวกูที่ดีหรือเป็นคนดนะีตั้งใจปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีความสำคัญไม่มอยว่าฉันเป็นคนดนะีเมื่อตายไปแล้วก็จะได้ไปสุคติ แต่ว่ายังไม่พ้นจากวัตตาสงสารจนกว่าจะก้าวข้ามพ้นความเป็นคนดีไปซะไม่มีใครไม่มีไม่มีคนนะไม่มีคนแล้วก็ไม่มีใครตายนะอันนี้เรียกว่าตายก่อนตายที่อาจารย์พุทววาต้องทำให้ตายก่อนตายก็คือทำให้ตัวตนมันตายก่อนที่จะหมดลมทูกว่าทำให้ตัวตนมันตายนี่เป็นเป็นการพูดในเชิงวูหานนะ พอจริงมันไม่มีตัวตน ต, ตั้งแต่แรกแล้วถ้าผู้ถูกต้องพูดว่าทําให้ความยึดมั่นในตัวกูมันตายไปก็คือหมดความยึดมั่นในตัวกูเพราะเห็นความจริงว่าไม่มีตัวกูตั้งแต่แรกอันนี้เรียกว่าตายก่อนตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาหมดลมนะก็จะไม่มีความสําคัญแม้มาไม่มีความความสําคัญแา้มายว่าฉันตายก็เป็นเพียงการเปลี่ยนสภาพไปเท่านั้นเองไม่มีใครตายนะมีแต่การเปลี่ยน สภาพของขันท่าคนตายก็ไม่มีความตายก็ไม่มีมันเป็นความตายก็เป็นสมมุติแบบหนึ่งที่ใช้อธิบายใช้เรียกคนเวลาหมดลมหรือสัตว์หมดลมว่าตายหรือใช้เรียกรถที่มันหยุดวิ่งว่าตายหรือนาฬิกาที่มันหยุดเดินว่าตายแต่เนืจเป็นคาสมมุตินะตาย ของรถยนต์ตายของนาฬิกามันก็เลยคน ร, ระแบบกับตายของคนหรือของสัตว์แต่ทั้งหมดนี่มันก็เป็นสมมุตินะถ้าเธอเราเข้าใจความจริงเราก็จะไม่กลัวไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าไม่มีใครตายแล้วก็ไม่ทุกเพราะรู้ว่าไม่มีใครทุกนะเราข้ามที่จะพูดกันเท่านี้กับพระ